เราพูดเรื่องสติก็ให้ระลึกไว้ว่าสตินั้นมีหลายอย่างหลายแบบสติเฉยๆหรือว่ามิจฉาสติหรือว่าสัมมาสติสติเฉยๆนี่เราก็มีอยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วที่เราทำงานทำการต่างๆได้ก็อาศัยสติเริ่มตั้งแต่ที่ทำให้เราไม่หลับไหล หรือว่าไม่ถึงกับบิพลาดคือไม่เป็นบ้านี่ก็อาศัยที่เรามีสติเป็นเครื่องสงใจเอาไว้แล้วก็เวลาทางานทำการต่างๆแล้วก็อาศัยสตินั่นแหละเป็นสิ่งที่ดึงเอาความจำต่างๆเอามาใช้งานตั้งแต่ทำครัวนะตั้งแต่การที่จะพูดคุยกับคน จำชื่อได้จำวันเวลาได้จำได้ว่าเราทำวัดกี่โมงเราบิณฑบาตกี่โมงอันนี้ก็อาศัยสติเป็นเครื่องดึงเอาข้อมูลความจำที่มีอยู่ในสมองนี้เอามาใช้นัสิสติทำนาทีนี้คือดึงเอาเอาข้อมูลที่มีอยู่ในหัวน่แหละเอามาใช้บางทีเราก็เรียกว่าสติ ค, คือความจาแต่ว่าที่เรา พยามเจริญให้มากก็คือสัมมาสติสัมมาสติเป็นยังไงก็คือไม่ได้รู้เรื่องข้างนอกไม่ได้จำได้ในเรื่องอื่นแต่จำได้ในเรื่องของกายและใจเรื่องของตัวเราเองเรื่องของกายและใจก็อย่างที่เราได้สาธยานเมื่อกี้นี้นะรู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมทั้งหมดนี้ก็คือเรื่อง ตัวเรานั่นแหละเราอาจจะมีสติระลึกได้ในเรื่องอื่นแต่อันนั้นยังไม่ใช่สัมมาสติจนกว่าจะเป็นการระลึกได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมหรือเรื่องง่ายๆว่ากายและใจหรือถ้าพูดให้ชัดก่อนนะั้นคือเรื่องรูปและนามแล้วก็เมื่อรละลึกได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งตามมาคือว่าไม่ พลเข้าไปในความพอใจความไม่พอใจโสมนัตหรือโทมมณัตหรือยินดีนลายนั่นทําไมถึงต้องทรงใจไว้ไม่เข้าไปในความพอใจและความไม่พอใจก็เพราะมันเป็นกับดักนั่นเองกับดักของมารความพอใจความไม่พอใจอันนี้จะเรียกยังไงคือเป็นกับดักของมารเมื่อเราพอใจเราก็เข้าไปยึดเอาไว้ด้วยความอยาก เมื่อเราไม่พอใจเราก็เข้าไปเป็นกันเข้าไปเพื่อขับสพผลักออกไปไม่ว่าจะเข้าไปเพื่อยึดเอาไว้เป็นเจ้าของหรือผลักสออกไปมันก็ถ้าก็ทำให้เราตกอยู่ในหลุมหรือบ่วงของมารเวลาปลานก็จะจับสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้สองวิธีวิธีแรกก็เอาเยือที่ สัตว์นั้นชอบเนี่ยมาล่อเช่นเอาหนอนเาแมลงมาล่อปลาปลาเห็นก็เกิดความยินดีก็จะเข้าไปฮุบเมื่อเข้าไปฮุบก็โดนเบียวโดนโดนเบ็ดโดนเบ็ดนี่มันเกี่ยวเกี่ยวปากติดไปเลยก็เลยกลายเป็นอาหารของชาวประมงไป เอาสิ่งที่น่ายินดีมาล่อถ้าเข้าไปโดยความอยากก็เสร็จดนเบ็ดเกี่ยวเกาะนะน้ำมันก็ใช้วิธีนี้กับเราเอาสิ่งที่น่าพอใจมาล่อแต่บางทีก็เอาสิ่งที่ไม่น่าพอใจมาล่อได้เหมือนกันนะเวลาจับไก่ป่าหรือว่าจับนกที่เราต่อนกต่อไก่เนี่ย ก, ก็เอานกตัวผู้เนี่ย มาล่อมาส่งเสียงไก่ป่าหรือว่าเจ้าของถิ่นมันได้ยินมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่พอใจว่ามีมีสัตว์มาลุกล้ำถิ่นของมันมันก็จะเข้าไปเข้าไปทำมาเข้าไปไล่แต่ว่าพอเข้าไปไล่ไม่ทันจะเข้าไปถึงตัวก็ติด ก, กับดักของพรานที่เขาล่ออไว้ไอาจจะทําเป็นกรงเอาไว้ไอาจจะทําเป็นบ่วงเอาไว้ เขาล่อไก่ได้วยวิธีนี้รอนกด้วยวิธีนี้เพราะอาศัยความอยากจะผลักสายออกไปที่อยากจะผลักสายออไปเพราะมีความไม่พอใจแล้วเรามีอารมณ์ใดก็ตามที่เราไม่พอใจเราก็อยากจะผลักสายอยากจะไปห้ามอยากจะไปกดอยากจะไปขจัดออกไปเมื่อเราเผลอเข้าไปเราก็เสร็จเกิดการปรุงแต่งเข้าไปในอารมณ์นั้นผัวพันพันตูแล้วเราก็ จมอยู่ในอารมณ์ในสภาว่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นอุปทานกันนะอุปทานบาลีกับอุปทานภาษาไทยไม่เหมือนกันอุปทานภาษาไทยมันความหมายอย่างหนึง่งเมื่อคําว่ามานะในภาษาไทยกับมานะภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกันมานะภาษาไทยเป็นของดีเรียกว่ามานะพยายามเอามาตั้งเป็นชื่อคนก็เยอะเพราะเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามแต่ามานะภาษาบาลีมันเป็นกินเลส ความถือตัวความอยากใหญ่อยากดังเ น, นี่ยเรียกมา น, นะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอุปทานก็เมันอุปทานภาษาบาลีก็แปลว่าความยึดนะความยึดมั่นยึดติดถือมั่นอุปทานภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าความหลงเข้าใจก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับภาษาบาลีภาษาบาลีอุปทานเรียว่าความยึดติดมันเริ่มจาก ความอยากก่อนคือตัณหาเราอยากอะไรก็ตามมันก็จะพลัดเข้าไปกลายเป็นความยึดเช่นอยากได้อะไรมันก็จะยึดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ายึดในความเป็นเจ้าของคือยังไม่ได้มานะแต่ยึดเอาไว้ก่อนว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าของให้ได้ฉันจะต้องเป็นเจ้าของให้ได้ไดก็เอาแต่คิดเนะี่ยบางทีนอนก็คิดกินก็คิดยึดในความเป็นเจ้าของ ทางดที่ยังไม่ทันจะได้มาเลแต่ว่าจะต้องทําให้ได้อุปทานจะมีลักษณะนี้นะคือมันยึดเอาไว้แล้วเอาแต่คิดปรุงแต่งนะเราไม่ชอบใครเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็จะเก็บคนนั้นหรือเก็บเรื่องนั้นเอามาคิดไม่ปล่อยไม่วางนี่ก็อุปทานเราไม่ได้ยึดเฉพาะในสิ่งที่อยากได้ไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้ก็ยึดยึดด้วยความอยากที่จะผลักไสออกไป นอกจากนั้นเรายังยึดในสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเราไม่ได้อุปทานอยากได้เงินหรือว่าได้เงินมาแล้วก็ยึดว่านี่เป็นของเราเงินนี้เป็นของเราบ้านนี้เป็นของเราแต่เรายังยึดในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่หรือว่าสถานะหรือว่ายึดความคิดว่าความคิดนี้ของเรานี่แหละถูก เยี่ยมเลิศเวลาทำครัวก็อาจจะขัดแย้งกันเพราะว่าวิธีการทำครัวไม่เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าติดยึดในทิฏฐิก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานติดยึดในความคิดบางทียังไม่ทันจะลงมือทำก็เถียงกันซะแล้วเพราะความคิดไม่ลงกันอันนี้ก็ก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ติดยึดในวิธีการ ว่าอย่างนี้แหละฉันต้องทำให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางฉันก็ไม่พอใจอย่างมีเด็กเนี่ยเด็กน้อยอยากจะใส่บาตรพระเคยไปบินทำ บ, บาตแถววังเขนเด็กเนี่ยอยากจะใส่บาตรเด็กตัวเน้อยตัวเล็กน้อยก็ส3ขวบแต่แม่เนี่ยเห็นว่าเด็กยังเล็กไปแม่ก็เลยจะใส่บาตรเองเด็กนี่ด้วยความ ยึดเอาไว้ว่าต้องใส่ให้ได้อนนาจจะพอคิดว่าเออใส่แล้วมันดีใส่แล้วได้บุญนะตามที่แม่สอนแต่พอแม่ให้แม่ให้ใส่ก็เลยโมโหเอามือตีแม่อยากได้บุญอยากได้บุญมากเลยกลายเป็นบาปไปซะละนะเพราะว่าเกิดโทสะแล้วก็ตีแม่เนี่ยมันก็เป็นบาป น, น้อยของเด็กอันนี้ก็ทำด้วยอุปทานนะอุปทา ค, ความยึด พอยึดไปแล้วนี่อะไรที่มันมาขัดมาขวางก็ทําให้เกิดความไม่พอใจอุปทานในบุญก็ทําให้เกิดบาปได้นะอย่างเด็กน้อยๆเนี่ยมีความยึดว่าใส่บาปแล้วมันดีแต่พอแม่ไม่ยอมก็กลายเป็นทําบาปกับแม่แ ล, ลองพิจารณาดูดีๆการมีอุปทานเนี่ยมันนอกจากจะทําให้เราทุกข์แล้วมันยังทําให้เรา ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากอย่างที่สวนโมนี่ก็มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านชอบเข้ามาตัดเอาหน่อไม้หน่อไม้ยังไม่ทันจะขึ้นดีเลยยังอ่อนๆอยู่เลยลก็ชาวบ้านก็มาตัดแล้วเพราะว่าแย่งกันถ้าไม่ตัดก็อดแม่ชีก็อยากจะรอให้มันแก่สักหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่เคยได้เห็น หน่อไม้มันรอดมือชาวบ้านสักทีก็บอกชาวบ้านว่าให้มันโตขึ้นอีกหน่อยนะก็ไม่ได้ผลเสร็จแล้ววันนึงก็ไปเจอหน่อไม้อ่อนครับเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าถ้าปล่อยไว้ชาวบ้านก็มาตัดไม่อยากชาวบ้านตัดเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ตัดเสเองเลยตัดเส้นเพื่อได้เป็นการขัดขวางแม่ชาวบ้านมามาตัด ก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาตัดแต่ตัวเองก็ตัดเสเองอันนี้ก็อุปทานเหมือนกันนะคือความยึดความยึดว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เมื่อมีมีคนตัดก็ไม่อยากเขาตัดต้องการเอาชนะก็เลยตัดเองแต่บางสิ่งบางอย่างนีมันมีอุปทานในสักอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากแม่จะพาลูกไปเที่ยววันเสาร์วันที่จะไปเที่ยวทางไกล จะไปเที่ยวสนุกเลยรีบออกอยากตั้งใจว่าจะออกแต่เช้าจะได้ไปถึงที่นั่นแต่เนินเน่นๆแล้วก็มีเวลานา น, านๆหาความสุขให้เต็มที่นะที่ชายหาชายทะเลแต่ว่าสามีก็ตื่นสายลูกก็ช้าแม่ก็เลยโกรธหงุดหงิดเ้าโมโห ว, ว่าทำให้เสียแผนจะไปสนุกกัน แต่กลับมามีอุปรสรรคโกรธนะอ้าวก็จะไปเที่ยวไม่เหอจะไปสนุกไม่เหอแล้วโกรธทำไมใช่ไหมจะไปเที่ยวทั้งทียังมาเครียดยังมาโมโหโ อ, อะไรอีกแต่ก็เผื่อเครียดเผือโกรธไม่ได้เพราะว่ามันอยากจะไปสนุกไงอยากจะไปสนุกนานๆแต่ว่ามีอุปรสรรคซะก่อนไม่เป็นไปตามแผนให้ความอยากและความยึดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามใจมันก็ ทำให้เกิดโทสะขึ้นมาก็เป็นธ่าแทานที่จะไปเที่ยวแทนที่จะไปสนุกกับครอบครัวให้สบายใจก็กลายเป็นเกิดขัดแย้งขึ้นมาเพราะเรื่องไปเที่ยวไปเที่ยวแทนที่จะทำให้สนุกทำเทศทาให้ครอบครัวสมัครีกันกลับทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันหรือว่ามีเรื่องทะเลาะบบาแวงกันมันกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะอะไรเพราะอุปทานแัเ้เาเราต้องระวังนะอุปทานเนี่ย อุปทานในเรื่องแต่ก็ตามมันทำให้เราทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันได้อยากจะปฏิบัติธรรมนะเคยมีนะอยากจะปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมให้ดีอยากจะมีเวลานานๆโยมพ่อมาหาโยมแม่มาหาเพื่อนมาหาอารมณ์เสียเลยนะว่ามาขวางการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเราต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้มีสติ ใจิตใจผ่องใสแต่ความอยากเช่นนั้นทําให้ใจิตใจเราไม่ผ่องใสจิตทาให้ใจิตใจเราเกิดความหงุดหงิดเพราะพ่อแม่มามาเยี่ยมก็มาเยี่ยมด้วยความปรารถนาดนะีอันนี้เพราะความความอยากอยากปฏิบัติอยากเห็นผลการปฏิบัติอยากสงบอยากมีคุณนวิเศษก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเครียดกลายเป็นถอยหลังกลับไปแทนที่อยา ก, ก้าวหน้าเพราะว่าความอยากเนะี่ยเป็นกันบ้างหรือเปล่านะ แดีที่อยากจะให้ใจสงบนั้นริงไม่สงบบางทีก็หนักกว่านั้นอย่างที่ในอเมริกานี่เขามีการเถียงกันทะเลาะ ก, กันระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วย ก, กับาการทำแทง้งกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งก็บอกชีวิตนี้มีค่าการทำแท้งนี่บาปแต่ว่าพวกที่เห็นด้วยกับการทำแท้งก็ยังทา มีเสรีภาพที่จะทําทแท้งกันต่อไปพวกที่คัดค้านการทําแท้งก็เลยมาประท้วงกันที่คลินิกทําแท้งพอบางประเทศบางรัฐนี่เขาอนุญาตให้ทาแท้งได้ประท้วงไม่ให้หมอไม่ให้พยาบาลเข้าไปทําแท้งก็ห้ามไม่ได้คนที่ประท้วงก็เลยไม่พอใจพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ท้ายก็เลยบุกเข้าไปในคลินิกทําแท้งเอาปืนเข้าไปยิงหมอและพยาบาลถึงแก่ความตาย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราทารการทำแท้งแปลว่าชีวิตนี้มีค่าเห็นว่าการทําแท้งนี้เป็นการฆ่าชนิดหนึ่งสุดท้ายก็ลงมือฆ่าเขาเสเองเพราะต้องการยับยั้งการฆ่าฆ่าเขาเพื่อต้องการยุติการฆ่าอันนี้แหละอุปาทานแหละาศาสนาบอกห้ามฆ่าแต่เสร็จแล้วก็ลงมือฆ่าเขาเสเองนี่แหละเป็นเพราะทิฏฐุปาทานนะอุปาทานในความคิดยึดติดในความคิด ปองดีความคิดในความคิดนี่มันทําให้คนเราทําร้ายกันในนามของพระเจ้าในนามของศาสนาได้พระเจ้าสอนว่าอย่าฆ่ากันรักเพื่อมนุษย์เหมือนรักตัวเราเองเสร็จแล้วก็ฆ่ากันก็อ้างศาสนาอ้างจริงด้วยตั้งใจจริงยอย่างบิลาเดนเนี่ยมีศรัทธาในศาสนามากแต่เป็นศรัทธาที่มันเป็นกายเป็นอุปาทานไปก็เข้าไปทำร้ายคนอื่น ทำรายแม้กระทั่งคนในาศาสนาเดียวกันแต่ว่าต่างนิกายหรือว่าทำร้ า, ายคนมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็ฆ่าเขาซะแล้วบางทีเรายึดถืออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าถ้ามันยึดถือจนกลายเป็นอุปาทานไปมันก็กลายเป็นร้ายได้เหมือนกันการนับถือหรือการเชื่ออะไรก็ตาม บางทีเชื่ออะไรไม่สัมพันธ์กับว่าเชื่ออย่างไรเชื่อในสิ่งที่ดีแต่เชื่อด้วยความงมงายอุปทานมันก็ทําให้ทําในสิ่งที่ชั่วได้อันนี้เราต้องต้องระวังเราบางทีเราก็เมีอุปทานในสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็อุปทานอย่างนึง่คืออุปทานในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งมีตําแหน่งอะไรมันก็จะยึดเอาไว้ จนกระทั่งไปเข้าใจว่านั่นแหละคือตัวเราตัวเราของเราอย่างในตํารวจบางคนนี่เป็นตํารวจชื่อต่างใครๆเห็นก็รู้จักใครๆเห็นก็ไหวเพราะว่าเป็นข่าวอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์วันหนึ่งไปกินอาหารในพัตคารคนแน่นอาหารก็มาช้าเพราะว่าบริกรหรือบอยเขาก็ ใครมาก่อนก็ได้ก่อนเมื่อตัวเองได้มาช้าก็เลยทนไม่ไหวก็เลยเรียกบริกรมาไม่ใช่ต่อว่าธรรมดาแต่มาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นใครรู้ไหัว่าเป็นใค ร, ร, ใ ค, รคือคิดว่าถ้าเป็นยศพลตำรวจเอกในตำรวจต่างละมันต้องได้รับการบริการดีกว่าคนอื่นขณะมากินอาหารนี่ยังแบกยกแบกตำแหน่งมาด้วยนี่ก็เป็นอุปท า, านอย่างหนึ่งนะ หน้าที่เอกความเป็นนายตํารวจพลตํารวจเอกหรือความเป็นคนดังนี่มันเป็นแค่สมมุติเพเปรียยนสมมติกับหัวโขนเป็นหัวโขนมันใช้ได้แต่เฉพาะเวลาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่แต่เวลาไปกินข้าวไปลงหนังเวลาเข้าส่วมีต้องแบกไปด้วยไหมคนฉลาดก็ไม่แบกไปแต่ว่าคนโง่ที่หลงยึดติด แล้อุปาทานเนี่ยมันก็จะแบกไปแล้วก็ไม่มีความสุขนะไปไหนนี่ไม่มีคนทักก็จะไม่พอใจเหมือนกับดาราเนี่ยถ้าไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จักแม่มันทุกข์เหลือเกินจะต้องแนะนําตัวว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครบางทีมีเจ้าคณะจังหวัดนะรูปหนึ่งก็ไปหาพระไปเยี่ยมวัดวัดหนึ่งระรู้วัดไม่รู้จักก็เลยปฏิบัติกับตนเหมือนพระธรรมดา ก็ไม่พอใจนะไปถามพระรูนะ้นว่ารูไ้ไหมว่าฉันเป็นใครนี่กระทุกอีกแบบหนึ่งนะนะคือทุกเพราะว่าไม่มีคนรู้จักถ้าเราแบกเอาตำแหน่งเอาสถานะด้วยความยึดติดหรืออุปาทานเนี่ยเราจะมีปัญหาบางทีนอกปฏิบัติก็ก็ทะเลาะ ก, กันเพราะว่า อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเป็นนักปฏิบัติหรือเปล่าหรือเถียงกันเถียงกันไม่ลงตัวก็บอกว่าเนี่ยฉันถือศีลนะแกถือศีลท่านะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเถียงศีล8ต้องชนะเพราะศีลแกิเลสน้อยกว่าอะไรทำนองนี้เนี่ยก็เป็นอุปทานแบบหนึง่งคือแทนที่จะเอาผูกเอาผิดเอาเหตุผลมาว่ากันก็ เอาความเป็นนั่นเป็นนี่มาชนะค้าขานกันไปไหนมาไหนไม่มีถ้ามีคนบอกว่าเออนี่เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นนักกรรมฐานนะแม่ปลื้มนะแต่ไปไหนมาไหนนี่ไม่มีใครรู้จักว่าฉันเป็นนักกรรมฐานก็จะรู้สึกตัวรีบจะรู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะเราเป็นอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่ามันเราเป็นนั่นจริงๆนะมันก็แค่สมมุตินะความเป็นนักปฏิบัติ แม้กระทั่งความเป็นพระมันก็เป็นสมมตินะซึ่งเราก็ต้องใช้ให้เป็นแต่จะไปยึดเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นทุกข์นะพระเขาเป็นพาลโยมเขาบางคนโยมเขาไม่รู้ประเพณีเขาก็อาจจะไม่แสดงสัมมาคาร ว, วะนะไม่กราบไม่ไหว้อย่างถูกต้องหรือบางทีเรา ใครๆคนหนึ่งเขาเราเรียกเราว่าพระอาจารย์นะแต่ว่าโยมคนนี้เรียกเราว่าพระหรือว่าหลวงพี่ไม่พอใจขึ้นมาอันนั้นแหละมันอำนาจของอุปทานแหละพอไปหลงยึดว่าเราไอ้ความเป็นพระอาจารย์นี่คือคือตัวเราจริงๆนะที่จริงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่คนหนึ่งเขาเรียกเราแค่นั้นเองแต่อุปทานนี่มันอุปทานในความเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันก็ เป็นกับทุกคนแหละแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่นะก็มีอุปทานในความเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าลูกเถียงหรือลูกแสดงความไม่เห็นด้วยเราพูดไปแล้วลูกไม่เห็นด้วยลูกแยง้งนะเราโกรธขึ้นมาเลยทาที่ที่เขาพูดมาก็อาจจะมีเหตุมีผลแต่เราโกรธเพราะว่าไม่เชื่อฟังแม่ไม่เชื่อฟังพ่อความยึดติดในความเป็นแม่มันก็มีนะนี่ก็เป็น เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งถ้าให้ดีก็ต้องฟังว่าเออเขาพูดมาถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาความเป็นแม่ความเป็นพ่อเขาไปขม่มเอาชนะคัาคายกั น, กนซึ่งก็ทําให้ลูกไม่พอใจหรือลูกทุกข์มีนะมีบางลายบอกให้ลูกเนี่ยลูกนี่เอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นติดมากแม้กระทั่งทางออําอาไฟหวานนี่ก็มีเด็กติดเกมออนไลน์เยอะเกมคอมพิวเตอร์ ขโมยเงินไปเล่นเกมออนไลน์ตามไฟต่อไปก็จะลําบากแล้วเพราะว่าจะมีอีก20เครื่องเข้ามาขโมยโก้าวจนพวกนี้เยอะขึ้นแต่นี่ในเมืองเรื่องที่เรานี่เป็นเรื่องในเมืองเด็กก็เล่นเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอันทํางานไม่เรียนหนังสือไม่หลับไม่นอนแม่ก็ทีแรกแม่ก็เตือนลูกไม่ฟังแม่ก็ว่าลูกก็เลยประท้วงไม่คุยกับแม่ แม่ก็ทั้งน้อยใจทั้งทั้งขุนเคืองใจก็เลยบอกลูกว่าถ้าลูไม่คุยกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายให้ลูกก็มันก็ไม่สนใจแม่จริงๆด้วยทำท่ามเมินเฉยว่าแม่ก็เลยเสียใจและน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยโดดลงมาจากจากระเบียงก็ตายไปอันนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าใครผิดนะ อะไรทำให้แม่ตัดสินใจเช่นนั้นลูกก็คงมีส่วนด้วยแต่ว่าแม่ก็ไปยึดติดในความเป็นแม่ว่าลูกต้องเชื่อฟังแม่พอลูกไม่เชื่อฟังแม่ไอ้ความยึดติดในเรื่องนี้ในความเป็นแม่ที่จะต้องได้รับการเคารพการเชื่อฟังจากลูกมันก็อาละวาดขึ้นมาเออุปทานมันถูกค้านถูกแย้มก็เกิดความโกรธแล้วก็ทําในสิ่งซึ่งไม่สมควรทำ ที่เราต้องระวังในอุปทานเนี่ยมันไม่ต้องไปไปนึกว่ามันเป็นกับคนกับใครกับคนที่มีเงินมีทองอะไรต่างๆมีทรัพย์สมบัติมากมายมีชื่อเสียงแมกระทั่งกับเรื่องธรรมดาอุปทา น, นก็พร้อมที่จะเอามาเราก็พร้อมที่จะมีอุปทานในเรื่องเล็กๆในน้อยพวกนี้ได้เราต้องมีสติตามลุ้ยทันอุปทานมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากเวทนา เวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากพัฒนาที่ไม่มีสติและมีพัฒนาและมีสติเข้าไปกํากับนะเวทนาโดยเฉพาะเวทนาทางใจคือความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่ถล่มเข้าไปเมื่อไม่ถลําเข้าไปก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานขึ้นเพราะนั้นเนี่ยที่เราสอนเมื่อกี้สัมมาสติเนี่ยต้องไม่ไปมีโทมนัดโสมันัดคือไม่เข้าไปในความพอใจความไม่พอใจนี่สำคัญตรงนี้แหละ พอถ้าเราเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมามันปรุงไปเลยเป็นตัณหาอุปาทานที่ทำ้องเข้าใจเรื่องสมาสติให้ดีแล้วก็ลืงอุปาทานด้วย